ขอนมุทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายกรรรยายพะสูตร์ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสุขุมาและสูตรจะเป็นการเล่าถึงประวัติของพระพุทธเจ้าที่รับสั่งเล่าเองแลว้วก็เล่าถึงแนวคิดต่างๆของพระองค์ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความ สุขสำนานที่มีการปรุงแต่งบรรนบนบรเรกิกันก็ซืบเรื่องมาจากมีกลุ่มภิกษุเป็นอันมากที่มีการสยบติดคือจิตใจข่อยขวันจะได้จะมีจะเป็นถรืบางอย่างก็กำหนัดเพล่ดเพลิอนอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมูเทียบเคียงกับสุขสมบัติที่พระพุทธศาสนาได้เคยมีเคยเป็นมานมันเทียบกันไม่ได้แต่การกําหนดเพลิดเพลินของคนนั้นอย่างที่เราเคยพบมาหลายๆไปสุดในเรื่องกุลธานบัณฑิตท่านก็ติดอยู่ที่เรื่องเล็กนิดเดียวเรื่องเข้าฟางลูกเดือยซึ่งเป็นพันุ์ ของข้าฟ้างลูกเตยกับเครื่องแต่งตัวราวาชชุดหนึ่งกระจอบเพี้ยนอันหนึ่งแต่นั้นเองแต่ก็สามารถดึงท่านจากเพศของรูษีให้กลับมาสู่เพศของราวาสได้ต่างหลายครั้งเพราะันเราดูตัววัตถุที่ยึด จ, จิตมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ แต่ใจมันจะยึดติดสอย่างมันก็ยึดติดลักษณะของใจที่มันปกักลงไปมันฝังใจลงไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะพอมันมากเข้าเนี่ยก็จะเห็นว่าปริมาณของกิเลส ท, ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเนี่ยมันแรงขึ้นโดยเฉพาะหลงเนี่ยมันจะแรงแล้วการกระทําจะขาดเหตุผลมากยิ่งขึ้น จนเรียกว่าไม่ยอมฟังใครซึ่งกระแสะความคิดเหล่านี้ก็คือทั้งสองกระแสที่พระเจ้าทรงแสดงในแนวอัตกิารามาธานุโยกกับการมาสุคัรณีการนโยกซึ่งตันเห็นว่าก็ดิ่งไปทั้งสองแนวแนวการมาสุคัรในการนโยกเขาก็ดิ่งไปในเรื่องของการป้น ป, ปลื้มรุงบมเริศตัวเองเพียนพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเอง ให้มากที่สุดทเท่าที่จะมากได้แต่ก็มีคนประสะภบภัยพิบัติอันตรายเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้มากมายรอบรอบอล้อมรอบรอบๆบตัวเขานั่นเด็งแต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นเตือนจิตใจก็ได้ด้นภาพเหล่านี้ที่โบราณดันใช้ว่าเหมือนกับมาแดงเม้าที่บินข้าวของไฟก็เป็นภาพที่ก่อนกลางชัดนะฮะ มันก็เห็นว่าเพื่อนที่บินลงไปมันก็ดิ้นกระแดากระแดแล้วก็ตายดินไปก็ตายแล้วตัวเองก็ยังไม่กระโดดลงไปแต่ก็กระโดดลงไปแล้วในสุดก็ตายเหมือนกันในอัตกะรามาฐานนโยกนั้นเป็นแนวดิง่งเป็นแนวหนึ่งซึ่งมุ่งผลในชาติหน้า ถ้าเราสะเก่อีกทีหนึ่งว่าแนวของการมาสังหารในการอุโยกนั้นคือแนวมุ่งปรนปลือมตนในชาติปัจจุบันแต่การทรมานร่างกายนั้นมุ่งให้รับความสุขความรอดพ้นในชาติหน้าโดยถือว่าวิถีชีวิตที่กำบังประสบอยู่นี้ มันเหมือนก็อยู่ในโครงขังโดยเฉพาะย อ, าายอย่างยิ่งกับร่างกายตัวเองนั้นเป็นโครงขังจิตปัญญาเอาไว้ทำไมจิตปัญญาไม่มีสระพวกนี้ก็ต้องทรมานตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดเหตุผลอะไรเหมือนกันมีคนเป็นมากที่ประสบภัยพิบัติเดือดร้อนสูญเสียขอะการไปทรมานร่างกายเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านี้ก็เห็นกันอยู่ครูบาอาจารย์ตัวเองก็ไปกันเป็นแถว แต่ก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดได้ตัวลงไว้แนวดิ่งสองแนวเนี่ยสิ่งที่ขาดก็คือว่าขาดปัญญาที่จะมีการตรวจสอบเป็นนิพจน์เทียบเคียงให้เห็นเรื่องความจริงของสิ่งดอดนั้นในท่ามกลางคนที่หลงยึดติบเนี่ยพระเจ้าบางครั้งก็ต้องเล่าให้ฟังเล่ากะดกุก ให้ฟังว่าเป็นประสบการณ์ที่พระองค์ก็เคยเจอมาดึงรพบเรื่องราวของชาดกที่จริงก็สะท้อนภาพในอดีตซึ่งมีลักษณะเดียวกับปัจจุบันแล้วก็แสดงถึงใจของคนที่ประสบะเหตุการณ์เหล่านั้นว่ามีหลักอะไรอยู่ถึงไม่ตกเป็นทาสของสิ่งโดดนั้น เพราะในเรื่องนี้ก็รับสั่งล่าวา่าในสมัยที่เป็นคราวาต์เนี่ยปรุงก็ละเอียดอ่อนจริงๆสำรับการทนุถนอมดูแลเอาใจใส่จนพิเศษอ่ะ ม, มันพิเศษจนมากเกินเหตุไปโดยําไปเพราะเป็นความมุ่งหมายของพระเจ้าสุตธนาที่ต้องการผูกรัดเจ้าชายไว้ในราชาสมบัติให้กำนัดเพลิเพนเยินดีอยู่ในวัตถุ ก, การมเพราะงั้นเรื่องปรุงแต่งเนี่ยมันเยอะ ทุกเรื่องเนี่ยเรียกว่าปรุงแต่งเอาทังนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าจริงโลกเรามันก็หลงเรื่องปรุงแต่ ง, งนะฮะแล้ก็หย่อมติดอยู่ในสิ่งสิ่งที่เขาปรุงแต่งขึ้นดูเราะไม่รู้เห็นตามความจริงแล้วก็ทํานองเดียวกับที่ท่านอาชิตมาโนปังกราทูนถามพระพุทธเจ้า โลกคือมูสัตว์อนาลัยปิดบังไว้จึงหลงหลดุจอยู่ในที่มืดเจาเราสังว่าโลกคือมูสัตว์อนวิชาปิดบังเอาไว้จึงหลงหลดุจอยู่ในที่มืดพระอาจก็ถามว่าอะไรเป็นเครื่องข้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากไว้ได้ปสติเป็นเครื่องข้ามสกัดกั้นความอยากไว้ได้แล้วถามความอยากนั้นจะละได้โดยอะไรก็ละได้ด้ยปัญญา มันเราจะเห็นว่าในท่ามกลางโลกที่มีผู้หมอด้วยวิชามากเท่าไรเนี่ยวิชานั้นคือความมืดแต่เรามองให้ดีมันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคือไรเหตุผลเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่องที่จริงมันก็รู้นะแต่ว่ารู้ไม่จริงหมายความว่ารู้แล้วเอาตัวรอดไม่ได้ คล้ายๆกับรู้ว่าอภัยมุขเป็นโทษแต่เราก็ยังตกเป็นทาสขององบายมุขรู้การสูบบุหรี่การดื่มเหล้าเป็นโทษเราก็สูบบุหรี่ก็ดื่มดำเมื่อวันก่อนไปพบแพทย์ที่เขารณรงค์เรื่องปัญหาต่างๆในสังคมมาคุยกันถามว่าไอ้เหล้ากับบุหรี่เนี่ยอะไรมันโทษแรง ก, กว่า เพบอกบุหรี่ตัวแรงกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรารวมเรื่องเล่ากันมนนะานานทีนี้แพทย์ก็คนพบใหม่ว่าบุหรี่แรงกว่าเล่าแต่เล่านั้นถ้าลึกๆไปนะฮะมันก็แรงมากเหมือนกันเพราะความเข้มข้นมากขึ้นมันก็อยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มสิ่งเสพติดด้วยกัน เป็นผินเป็นเออรูอินเป็นมอร์ฟินอะไรตอไรมันก็เรื่องมาสิ่งเจ็บติดรันตาปัญญายังไม่เห็นไปจากตามความจริงก็เลิกละไม่ได้แต่บางทีก็อาจจะอธิบายเอาตัวเองเป็นฐานในการอธิบายได้แล้วก็จบลงด้วยจงทำตามที่ผมพูดอย่าทำตามที่ผมทำก็จบลงด้วยอย่างนั้นนั้นเพราะอะไรเพราะเรายัางละอวิชชาไม่ได้ พระเจ้าเล่าถึงความละเอียดอ่อนของพระองค์ว่ามันมันถูกกลนปลือมากในในสมัยที่ยังทรงพระเยาวอยู่พระเจ้าสุโธธนะก็สอบถามมาเด็กๆนี่ชอบอะไรมาชอบเล่นน้ำก็สั่งให้คุสะโบกณีขึ้นภายในปณิเวษสามสะระปลูกปัวหลวงบวกขบับ บวกขาวอย่างระสะในจุดนี้พระตถาจารย์ยังอธิบายเรื่องเรื่องพระวิศนุกรรมดียเบุตรมานิรมิตสะทะวายแต่การไปอ่านมาก็ชักสงสัยเหมือนกันอีตอนที่สร้างปราสาททำไมไม่นิรมิตด้วยนิรมิตเฉพาะตอนที่เป็นสะแต่รูปว่า ได้ใช้ความสะดวกสบายในวัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่นีิมากก็เรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นอนิจธารมคือไม่สบายเนี่ยเห็นแล้วไม่สบายได้ยินแล้วไม่สบายเนี่ยจะไม่ให้รบสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็ผิดธรรมชาติเอาเยอะนะฮะเพราะคนเราไม่ต้องเจอทุกด้านมันก็าอากาศอาหารอะไรแต่ใดเราต้องเจอทุกอย่าง แต่ก็ให้มองโลกในด้านเดียวเพื่อจะผูกมัดเอาไว้ในโลกเยสุขในตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนะความคิดลึกซึ้งก็ยังไม่มีแล้วก็ทรงพอมองเห็นใงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนโดยเฉพาะนด้านความแก่คนเจ็บก็อาจจะไม่ค่อยหเห็นคนตายอาจจะ ป้องกันไปได้นะฮะแต่ว่าคนแก่เนี่ยมันก็แก่กันอยู่ก็ทำให้เจ้าชายพอเห็นได้แล้วตอนเจริญพระชนมาได้ส6กปีบิดาก็สร้างปราสาทให้สามหลังอย่งที่สามก็มีบริเวณมีที่เล่นสำราญมีบริพ า, ารมีคาราเบริวารมากมาย และจนถึงที่จะมอบให้เป็นเป็นผู้ปกครองดูแลบ้านเมืองในทีหลังก็มีการทดสอบศินปะวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะการศินปะในตรงนี้พูดเฉพาะยิงธนูและเจ้าชายก็ใช้สหัสสะธนูคือธนูที่หนักมาก หรืในตำนานนี้ก็มีในเรื่องของพระรามนะฮะเราจะเห็นว่าตอนพระรามระยกตนูแต่ว่าสามารถที่จะใช้ตะนูเหล่านั้นได้แล้วก็ยิงสิ่งทังางยวาระสุดท้ายยิงหนังที่ซ่อนกันเนหกสิบแผ่นได้แต่แรงที่เรียวแรงพลังที่มีอยู่มากก็แบบหมาบุรุษ เราเคยพบประวัตินางวิสาขาว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีมด้วแรงมากนะด้วแรงมากเป็นพิเศษเป็นเรื่องบุญญาธิการของท่านแต่ไม่ได้ใช้ด้ียแรงไปในทางทำลายใครตหมายความว่าเป็นเป็นเรื่องของบุญญาธิการไอจุดเด่นที่ตรงแสดงว่าความความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างพระองค์กับชาวบ้านเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มากอะไร หมายความว่าพระองค์มองเห็นคนแก่แต่ตรงนี้ไม่ได้เล่าถึงเทือูดนะเล่ากับทรงเห็นคนแก่เล่าเองอ่ยเพราะว่าทรงเห็นคนแก่คนโดยปกติพอเห็นคนแก่แล้วเนี่ยจะรู้สึกรังเกียจไม่พอใจไม่สอบใจแต่พระองค์เองพองเห็นคนแก่มันก็น้องก็มาหาตัว คือนึกว่าออเราก็ต้องต้องแก่เราก็ต้องมีวันนี้เหมือนกันในโอกาสต่อไปไอความคิดเหล่านี้ที่จริงมันมันเป็นปัญญ า, าดูแล้ใคๆจะเลือก ง, ง่ายลเลยเกินนะฮะชาราตะม่มิชรังอนติโตนี่ดูแล ง, ง่ายลเลยแกที่จริงว่าไม่ยังง่ายเลยนะฮะคำว่าความรู้ความเห็นด้วยการยอมรับตังความจริงทั้งหมดบาลีนี่ท่านใช้กรรมยานาทัศนะ คือรู้แล้วก็เห็นเห็นแล้วก็รู้ทีนี้เขามารู้เห็นเนี่ยหมายความยังไงหมายความต้องลดไอ้สิ่งที่ก่อให้เกิดการประมาทหลงเพลิดเพลินในชีวิตลตงไปได้แต่ถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ถือว่ารู้เห็น พัจะจ้าชายเนี่ยท่านท่านมองจุดนี้ทำให้เกิดไม่เมาในวัยคือไม่ได้คิดว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เป็นไรต้องรอก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนในแต่ไหนเนี่ยค่อยทำตอนแก่ก่อนแต่มองเห็นชีวิตว่ามันแก่อยู่ทุกขณะซึ่งในตอนหลังก็ส่งอธิบายในความตอนจักสู้แล้วนะฮะส่งอธิบายในจุดนี้ไว้ว่า ชีวิตเรามันก็แบ่งเป็นสองช่วงเรียกว่าปฏิจจนชราคือแก่ยังปกปิดอยู่คือตั้งแต่เราเกิดมาเรื่อยๆมาฮะจนมาถึงหนุ่มสาวเต็มที่เนี่ยก็ถือว่าแก่อยังปกปิดภาษาไทยเรียกแปลกเรียกว่าจเจริญวัยก็ใครก็คงไม่คิดแต่มันหมายความว่ามันหมายความว่ายอย่างไางน่ยนะฮะ จเจริญก็คือจเจริญคือเพิ่มขึ้นพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นแต่วัยะหรือวัยเนี่ยแปลว่าเสื่อมต้นความเสื่อมที่เรามองในรูปของความจเจริญเรามองเห็นว่าเป็นความจเจริญเราเรียกว่าจเจริญวัยเป็นความแก่เป็นความแก่อย่างเอาเด็กมาเรียงกันเราเห็นว่ามันแก่แตกต่างกันแล้วเด็กเหล่านั้นเมื่อก็เทียบกับผู้ใหญ่จึงกลายเป็นเด็ก ในช่วงนี้ท่านถือว่าแก่ปิดถ้าแก่อย่างหนึ่งเขาเรียกอภิธานศรระคือแก่เปิดไปเป็นการเปิดปเผยปรากฏออกมาชัดเจนผมงอฟันหักหนังเขียวย่นความแปรเปลี่ยนของร่างกายอะไรต่างๆปวดเมื่อยหลังเมื่อยเอวอาการต่างๆปรากฏชัดเจนขึ้น ควบคุมตัวเองได้น้อยลงอาการกายวาจาต่างๆก็ควบคุมน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาการกายความหลงลืมเลอะเลือนต่างๆก็เกิดเพิ่มขึ้นนั้นแสดงเห็นว่าเป็นการเปิดเผยตัวเองดีชัดเจนดังนั้นถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยมันเกิดมองเห็นน้อมก็ามาหาเราอย่างแนวที่ ที่เราสวดนะเอวังถมวยวังปาวีวังนตัตตโตมองเห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วมองเห็นว่าชีวิตจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวปัจจุบันอนดีตจะดีหรือจะไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วการใช้อดีตของนักปราชญ์ท่นานก็ใช้เป็นสองแนว ความผิดพลาดปกคร่องก็ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขหลาบจำไม่กระทำต่อไปความดีงามก็ใล้เป็นครูที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติและพัฒนาต่อไปมันก็ทำอยู่สองอย่างแต่ถ้าคิดเป็นแนวอื่นมันก็เป็นความคิดที่ผิดประการต่อไปเมื่อมองเห็นคนคนเจ็บ ซึ่งก็แนวเทวทูตนะฮะแนวเทวทูตสูตรพวกกลุ่มนี้พระสูตรชุดนี้ที่จริงก็พูดเรื่องแนวนี้ทั้งหมดเพลี่ยนคนเจ็บคนก็ไม่เคยชอบอีกความเจ็บหรือว่าคนเจ็บก็ไม่ชอบแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่อยากจะใส่ใจสนใจอยากพี่น้องเจ็บก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเจ็บตัวเองเจ็บก็เป็นทุกข์ เพราะความเจ็บแต่สุดก็ลืมลืมโครคภัยไข้เจ็บที่เคยเกิดขึ้นกับร่างกายเปิดคนอื่นมันก็แสดงอาการรังเกียจอึดอัดระอาไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีตรงเองก็ส่งน้อมเป็นการน้อมนึกความแก่ความเจ็บเหล่านั้นเข้ามาหา ร่างกายคนเรานั้นท่านใช้คำง่ายๆอยู่สองคำมันก็เป็นภาพะนะฮะแตบอกโรคคณิตถันนงคือเป็นที่ประชุมของโรคเป็นรังของโรคเป็นที่เป็นที่อยู่ของโรคสารพัดก็มากมายมหาศาลไม่รู้อะไรต่อเท่าไหร่ปุพยาา ต, ต่างๆที่อยู่ในตัวคนนั้นก็มีมาก อาหารที่เรารับประทานลงไปในส่วนหนึ่งมันก็เป็นอาหารของตัวะยาธิตั้งหลายตัวเชื้อโรคตั้งหลายวันนั้นก็กินไปเยอะก่อนแล้วที่นำมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราก็ได้อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารของพวกนั้นเพราะแน่ตรงนี้ที่มาเป็นรูปของกรรมาฐานในด้านต่างๆก็จำแนกแยกแยะเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยก็ ก็มองเห็นมาจากร่างกายคือเป็นเรียนจากร่างกายเพราะความเจ็บเนี่ยที่จริงมันก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นรังของโรคแล้วท่านบอกปาพังกูหนังคือคือเน่าคือเปื่อย ร่างกายเราธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้คือว่าเป็นรังของโรคแล้วก็เปื่อยเน้าผุพังไปตามธรรมดารองมันพ้นคาแต่ละคําที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายมันเป็นการสะท้อนอะไรอีกเป็นอันมากที่เห็นว่าไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งความกนดัดเพลิดเพลินยินดีอะไรกันนักหนาเช่นใดเช่นคําว่ากาย กรการนั้นออกมาจากคำสองคาคือกุปลว่า น, าหนาห์หน้าเกลียดหน้ารังเกียจน่าเกลียดสกปรกอาญะก็คือแหลง่งหรือที่ประชุมที่รวมที่รวมก็สิ่งปฏิกูน่าเกลียดสกรปรกทั้งหลายซึ่งเราจะเห็นว่าในการต่อมาพระเจ้าก็เอามาเป็นแนวของกรรมฐานมาเป็นครูเรียนกรรมฐานโดยเฉพาะแนวกยา น, นาททุปัสสนาสติปัฏฐานที่เราเรียน ตอ น, น, นแรก3สามข้อเนี่ยไ ม, ไม่ได้เจาะลึกอะไรเห็นแค่ลมหายใจเข้าออกมาตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นในจิตส ง, งบอยู่ ก, กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกแล้วพาถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดพิจารณาเห็นว่าร่างกายเนี่ยที่จริงมันก็ปลนปรือกันอยู่ด้วยลม ลมหายใจออกไม่เข้าอาจใจเข้าไม่ออกมันก็ตายมันก็หาสาระอะไรไม่เคยได้เมื่อขึ้นอยูกับลมหายใจเข้าออกนิดเดียวเขาบอกหนาทีนะขัดออกซิเจนหนาทีก็จบสินน้นแต้วสมดิจะฟื้นขึ้นมาได้มันก็หมดสภาพร่างกายที่ขาดออกซิเจนไปเพียงหนาที อันนั้นกแ็แสดงว่าเขาก็พร้อมที่จะเปื่อยเน่าบางทีชีวิตเรายังไม่อยู่เราก็เปื่อยมีแผลมีเน่าเปื่อยผุพองอะไรต่างๆก็ แ, แสดงอาการให้ก็ดับที่สองใช้แนววิญญาณบดคือยืนเดินนั่งนอนให้ดูความเปลี่ยนแปลงของเราที่มันเกิดดับเราจะรูว่าที่มันก็ดับกันเอง จะ น, นั่งแล้วก็ลุกไม่ได้นอนแล้วก็ลุกไม่ได้อะไรแต่อะก็มีอาการให้เห็นโดยเฉพาะในปัจจุบันพวกโรคความพืชป่มผ้า่มันแพร่หลายเร็วคนก็ไปซะดือด้อๆแล้วสิง่งนั้นจะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อไรที่ไหนหรือแม้แต่เราเราก็ไม่รู้แล้วก็ดูเรียบทย่อยทั้งหลายบางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้ ยืนเดินนั่งนอนกินดื่ดมทำพูดคิดกู้แขนเยียดแข น, แขนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะอะไรแต่ไรเนี่ยครัแต่อย่างแต่อย่างเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้แล้วก็พร้อมที่จะดับทีนี้ถ้าหากว่ายังมองไม่เห็นในแนวของรังของโรคในแนวของของป่วยหน้าผูพัง ก็ทรงสอนในสามแนวใ่ใจโดยเฉพาะในกายานุปัสสนาส ต, ติปัฏฐานคือสอนระยะกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะเอาเฉพาะดินน้ำลมไฟที่จริงธาตุนั้นท่านแยกเป็นหกแต่ว่าอีกสองธาตุเนี่ยมันมันมันมองไม่ได้นะคนเรา คุณเพื่อ น, น, นี่ยังมองไม่ได้สมาธิต้องดีมากเรียวสติสัมปัญญาต้องแหลมคมจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิแราะเมื่อเรามองในแนวของกรรมฐานที่ทรงวางไว้เนี่ยการมองอากาศธาตุเป็นรูปกรรมฐานการมองจิตก็เป็นรูปกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดดูอรูป คือสิ่งที่ไม่ใช่รูปอากาศที่จริงก็เป็นรูปนะฮะแต่เป็นรูปที่ละเอียดซึงควจะต้องผ่านการปฏิบัติระดับฌานไปก่อนจึงจะพูดในตรงนี้ได้จึงจะอธิบายได้แล้วก็จึงจะสามารถจเจริญแล้วก็เห็นได้ไม่ความจิตจะต้องละเอียดสติสามัญญะแหลมคม แล้วมีสมาธิตั้งมั่นดีนะคล้ายๆกับเราจะดูอะไรพวกงานวิเคราะห์วิจัยในตอนตั้งหลายจะเห็นว่าเราใช้กล้องใช้กล้องจนนทัศน์สภาพแวดล้อมต้องเ อ, อื้อสภาพแวดล้อมต้องเ อ, อื้อไม่ใช่ไปดูในเรือที่มีคลื่นโยกไปโยกมามันก็ดูไม่ได้สภาพแวดล้อมต้องช่วยหมายความว่าความนิ่งความเงียบความสงบไม่ต้องช่วย เป็นตัวเสริมมันจะกลายเป็นเป็นดินน้ำลมไฟและส่วนใหญ่เนี่ยจะสอนเรื่องดูดินก่อนพวกผงคนและความหนังเนี่ยพวกเป็นพวกดินเป็นธรตุดินก็ดูง่ายก็เรียกาตัจับปบรรากากรรมฐานกรรมฐานที่หนังไปทีห้า อที่จริงคําว่าคนสัตว์เนี่ยที่เราเห็นจริงๆก็คือหนังคือหนังคือผมคือขนคือเล็บคือฟันก็ตอนั้นเองเนี่ยอาารยชายเกษารามานการันต่าตะโจผงกุนและฟันนังที่เราเห็นจริงๆมัคือผมคนุนและฟันหนังตอนนั้นมาถูกคุ้มห่อไว้ด้วยหนังพอแตะเขาหน่อยมันก็เป็นเลือดเป็น เป็นน้ำลงไฟนะฮะเป็นดินน้ำลงไฟก็เป็นเป็นน้ําไปเพื่อมองให้เห็นว่าร่างกายนั้นแต่ละอย่างดินน้ำลงไฟเนี่ยก็ก็เปื่อยเปื่อยเปื่อยพังไปเรื่อยๆนะฮะผุพังไปเรื่อยๆแล้วก็ผมขนและผนังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อในกระดูกม้าหมวยใจตับผังผืดใจปอดผู้นั้นที่จริงเราก็ดูไม่ค่ยเห็น ก็จะต้องต้องน้อมนึกอยู่ต้องน้อมนึกเอาโดยดมากแล้วก็ให้มองเฉพาะข้างหน้าไปก่อนตัวแรกกายเป็นอาการสามสบสองคือย่อยพวกธาตุพวกธาตุต่างๆลงไปนั่นเองตนหนึ่งก็ดูศพในป่าชา้าเป็นการให้มองเห็นชีวิตความป่วยนั้นก็คือการเปิยหน้าอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงไปปรปวนที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นปกติธรรมดาอย่าง เพ่อไม่ให้ประมาทในวัยในชีวิตนะฮะไม่ใช่ในในความไม่มีโรคในความไม่มีโรคคือตามปกติแล้วเรื่องโรคภัยค้าเจ็บเนี่ยคนจะประมาทคนไทยเรายิ่งแล้วใหญ่นะฮะชอบกินยาแต่จริงก็ไม่ชอบหาหมอซึ่งเป็นชนชาติแปลกใครโฆษณายาอะไรกินได้ซื้อได้แตนะ่นั้น ยาหมอน้อยที่โคราชปักธงชัยอะไรต่อะไรคนก็แห่ไปยอะเพียวกินยาได้สารพัดแต่กินง่ายนะกินง่ายกินยาได้ง่ายแต่ไม่ชอบไปหาหมอเพราะฉะคนที่หากินด้วยการปรุงยาอะไรต่อะไรพวกนี้จึงหา ก, กินได้อีกนาน แล้วบางทีพอโรคมันเกิดเนี่ยมันก็สุดวิสัยที่จะแก้ไขมันก่อนก็คุยเรื่องโรคมะเร็งกับหมอเขาหมอเขาบอกว่าโรคมะเร็งนี่มาจากความเครียดคือไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะเพรหมอสันนิษฐานเรื่องมะเร็งกันมานานแล้วไม่เห็นตรงเลยทีหนึ่งก็คลุมคลุมไปนะฮะสาเหตุหลายสาเหตุแต่ว่า เราก็มองเห็นอย่างนึงว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยมันเป็นโรคทางใจมีความกระทบถึงกายแนะ่ๆนะแต่มันจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งทั้งร้อยเปอรเซนหรือเปล่าเนะี่ยเราก็ไม่รู้อาจจะมีสักส่วนหนึ่งแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือความเครียดเนะี่ยไม่ดีวันทะทำยังไงจึงจะทำใจแก้ไขแม่มีความเครียดมากเกินไป นั่นคือการยอมรับถึงความจริงทั้งหลายว่ามันเป็นก็มันอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เราเห็นว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องแก่เจ็บตายอลไรนะเอวังรำมวยวังภาวีวังนาติโต ท, ที่จริงเราก็ใช้ได้ทั้งหมดอ่ะเช่นะว่าหมาเข่าดวกหูล้วก็เอวังทมวยวังภาวีวังนาติโต นะธรรมชาต <och> <dig> ิมันเป็นอย่างนี <kadar> ้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่มีหมาที่ไหนไม่เห่าหรอกะเด็กมันดื้อมันสนมันพูดกันไม่รู้เรื่องก็เอวังทมวยวังภาวีวังนาติโตอธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไม่มีเด็กที่ไหนที่ไม่สนไม่ดื้อไม่เล็ดมันก็ธรรมชาติเรามันก็เหมือนกันเนี่ยทําไมเด็กก็เหมือนกันเพราะตรงเนี้ยมันเป็นหลัก ที่เราจับถือไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะแก่จะตตายจริงมันใช้ทุกเรื่องไงนะใช้ทุกเรื่องเป็นลักษณะการมองในแนวรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายยานที่เคยเล่าว่าคนบางคนก็ใช้คำเดียวคำไม่แน่หรือช่างเขาเตะหรือว่า สิ่งนั่งพวงไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยแลนะการมรใชากเป็นหลักอคําเดียวแล้วพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการแสดงสภาวะของสิ่งโดนนั้นเราจะไปบังคับขงแข็งขืขงขนว่าเอ อ, อ, เอจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อย่าจะเป็นอย่างโน้นมันไม่ได้มันไม่มันไม่ไ ด, มไมมไมได้มีตัวตนอย่างนี้เพราะเราอะไรเพราะเราเออกเอาก็จริงเราบังคับเราเองยังไม่ได้เลย คีดจะบังคับคนนั้นใหเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นใหเป็นอย่างโน้นด้วยเราลืมไปว่าไอ้จิตที่อยากบังคับคนอื่นเราจะบังคับไม่ให้คิดบังคับคนอื่นไม่ได้แต่คนก็ชอบบังคับการชอบจีดนิ้วนั้นแสดงถึงสถาบัจิตใจเข้มแข็งหรือจิตใจที่อ่อนแอที่จริงจิตใจที่อ่อนแอนะะคือควบคุมจิตไม่ได้ ควบคุมจิตไม่ให้ไปบังคับคนอื่นไม่ได้ไปคงคู่คนอื่นไม่ได้เพราะคำว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอวังภาวสภาวะมันเป็นอย่างนี้นีวังอนัติโต้ก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คือเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ คนอ ก, กองดิกรมการศาสนาเข้าไปอินเดียกันแล้วก็บ่นบอกว่าร้อนตับจะแตกเอา้าก็บอกไประดูร้อนเนี่ยนะมันก็เจอร้อนนะสิถ้าเราไปแลดูหนาวแล้วก็บ่นว่าหนาวตับจะแตกอกีกมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเราต้องการจะไปเราต้องการเลือกเอาจะเอาฝนจะเอาร้อนจะเอาห้ามันมีฤดูชัดเจนกว่าเมืองไทยเยอะนะฮะ หนาวก็หนาวเลยเลือกเอานี้ก็คือก็คือธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นสภาวะก็ เ, เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไปแล้วรงร้อนใครไปมันก็ร้อนคนอยู่ที่นั้นอย่างร้อนตายกันแต่ละปีแต่ปีนี่เยอะแยะเราจะเห็นว่าคำสามคําเนี่ยดึงจึ ง, จ, ง, จ, งจึงใช้ได้ถูกเรื่องเป็นหลักใจธรรมชาติก็ก็เป็นอย่างนั้นเองอมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะฮะ หรืวเขาเป็นเขาเขาอย่างนั้นเองคนใช้ลูกน้องอะไรต่ไรก็ตามนะบางที่เราก็ไปบังคับคนใช้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนู้นโอยมันคิดได้อย่างเรามันก็เป็นนายแล้วมันไม่เป็นคนใช้หรอกคนใช้มันคิดได้ขนาดคนใช้กันแหละจะไปจะเลงผลเลิศอะไรเราต้องยอมรับสภาพเขาว่าเขาเป็นเขาอย่างนี้แหละก็คิดได้ขนาดเนี้ย มันก็มีกว่าคนที่คิดอย่างนั้นไม่ได้เลยทําไปในขณะที่เรารู้สึกว่าคนก็รารออาการหนักเนี่ยว่ามีคนที่อาการหนักมากกว่านี้เยอะก็ดีแล้วที่เราได้ขนาดนี้เป็นการปรับใจทําใจเพราะแนวตรงนี้มันเป็นหลักที่มองแก่มองเจ็บฮะแต่ที่จริงแล้วโครงสร้างแล้วมองอะไรก็ได้ ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะพเรามองเห็นความเจ็บว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราเองก็ต้องเจ็บแล้วความเจ็บเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนื่องจากร่างกายกเราเป็นหลังของโรคแสดงว่าเจ็บอยู่ทุกขณะก็จะเห็นว่าโรคที่แรงปรากอบกับความหิวเป็นโรคที่แรง ก็แสดงเราหิวเรื่อยน ะ, ะวันหนึ่งเจ็บหลายครั้งชิกัตฉาปรมาร oga ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งทีนี้ไอ้ความไม่มีโรคมันก็เป็นลาบอย่างยิ่งเหมือนกันเนี่ยที่เรารู้เพื่อแสดงว่าโรคที่มันเสียดแทงแรงที่สุดก็คือโรคหิวโรคหิวโรคกระหายนะฮะโรคหิวโรคกระหายที่เสียดแทงแล้วก็รักษากันทุกวันไม่เคยหายระคีนเนี่ย อย่างที่บอกว่าธรรมชาติสิบอย่างทึ่เกิดขึ้นในชีวิตคนเราไม่เคยแก้ได้นั่นก็คือหนาวร้อนผิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนนะแล้วกแก่เจ็บตายอันนี้คือเป็นสภาวะที่เราไม่เคยแก้มันได้อย่างดีก็แค่บรรเทานะฮะแก้บรเทาไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกประการต่อไปเรื่องความตาย คนตายกับความตายผู้เจ้าใช้คําว่าความตายนะฮะไม่ได้ใช้คนตายแต่เราดูความตายซึ่งปรากฏที่คนตายความตายมันเป็นตัวสภาวะเช่นเย็นร้อนเนี่ยนะฮะมันก็ปรากฏตัวในที่อะไรก็แล้วแต่มันจะปรากฏที่ไฟปรากฏที่อะไรก็ได้ก็คือร้อนปรากฏที่น้ําแข็งปรากฏที่น้ําปรากฏที่อะไรก็คือเย็นเป็นความเย็นเป็นความร้อน มันความตายเนี่ยคนบางคนไปนเห็นบางคนรู้สึกดังเกียจแล้วก็กลัวนะที่จริงความตายคนตายเราก็กลัวกลัวคนตายแล้วเราก็กลัวความตายไมาความกลัวความตายจะเกิดขึ้นกับเราบางคนที่ตายแล้วเราก็กลัวแม้แต่คนสนิทสนุมคุ้นเคยกันยังไงก็ตามนะฮะพอตายแล้วเนี่ยมักจะกลัว ครลึอกอาจจะพูดไปอย่างงั้นคนบางคนพ่อแม่ตายเพื่อนฝูงตายบอกให้มาเยี่ยมสักหน่อยนะคิดถึงไงแสดไงสมมติตเขามาจริงก็หงยุ่เหมือนกันนะ่ะเราก็พูดไปอย่างนั้นเองนั้นเป็นเรื่องแปลกว่ากับคนตายนอกแากเรากลัวรังเกียจแล้วนอกแขกรังเกียจแ ล, ล้วรกลัวกับเราตายเราก็กลัว แต่ความตายนั้นผู้เจ้าเจ้าชายทะท่านก็มองในแง่ธรรมดามองในแง่ที่เรียกว่าพราะองค์เองก็ต้องตายจนไม่ประมาทในชีวิตนะฮะตกลงว่าความไม่ประมาทเออไม่ใช่ความประมาทใหญ่สี่อย่างเนี่ยประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคนทั้งโลกเนี่ยฮะประมาทในในในสามเรื่องนี้ทั้งนั้นอ่ะ อามัญชนพราะเจ้าชายติสตะท่านจึงไม่ประมาทในจุดนี้ไม่ประมาททั้งในวัยทั้งในชีวิตทั้งในความไม่มีโรคเพราะมองเห็นความแก่มองเห็นความเจ็บมองเห็นความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหลาย ก็แน่เอวังธรรมวยวังพะวีวังนาติโตเหมือนกันนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ความตายนั้นทรงแสดงไวหลายระดับแบบหนึ่งเรียกว่านิกะม่อนะคือตายทุกขณะเราตายอยู่ทุกวันทุกขณะทุกนาทีนะฮะทุกนาทีที่เราตายอยู่เรื่อยๆอุส่วนต่างๆอุปเสสนต่างๆต่างๆที่เรา แม้แต่อาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปมันก็ย่อยก็สลายไปเรื่อยๆร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะก็ถือว่าความตายนั้นเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะชีวิตเราจึงเป็นขณะเรียกว่ายาธมาสังขาราเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดามันเสื่อมกันไปเรื่อยๆแต่ที่จริงมันมันก็มันก็มีสิ่งที่มาชดเชย คือการเยวสันตติคือมันไม่สิ่งเกิดสืบเนื่องกันมามาชดเชยไว้แต่ถึงจุดหนึ่งมันก็เอาไม่อยู่ทำนองกระแสน้ำกระแสไฟนะที่จริงมันก็ดับอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่ามันมีสิ่งมาชดเชยไว้เป็นรูปกระสันนติคือการไหลที่ต่อเนื่องกันมาก็ทาให้เห็นว่ามันก็มีอยู่างทั้งที่ในขณะนั้นก็ไม่ใช่อันก่อนแล้วอย่างที่นักปัญญาของกรีก คนหนึ่งท่านกล่าวไว้คมเหมือนกันนะท่านบอกว่าคนไม่สามารถจะกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่สองเพราะนี่คิดเรรุ่นเดียวพระพุทธเจ้านะรุ่นเดียวกับพนะระพุทธเจ้าแต่การมองเห็นสิ่งตั้งหลายที่เลื่อนไหลไม่อยู่นิ่งในชีวิตเองก็มีความเลื่อนไหลกระแสน้ำก็มีการเลื่อนไหล เหมืนถ้าเรากระโดดลงไปกระแสน้ําในครั้งแรกและจะ ก, กระโดดครั้งที่สองมันอย่างอื่นไปหมดแล้วเราเองก็แก่ไปแล้วแก่ไปหลายนาทีแล้วกระแสน้ําก็ไหลไปแล้วจุดที่เรากระทบจึงเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมทั้งตัวเราทั้งเวลาทั้งจุดที่เรากระทบนั่นคือมองเป็นกระแสเลื่อนไหลของชีวิต มันจธรรมดานะเขาเขามองเห็นที่กรีกเป็นนักปัญญาของกรีกร่วมยุค ก, กับพระพุทธเจ้าใกล้ๆกันก่กอนโซเครติสนั้นแสดงถึงการเข้าใจถึงชีวิตว่าเป็นกระบวนการที่มันเกิดดับเกิดดับทยอยกันไปอย่างต่อเ น, นื่องแบบกระแสไฟกระแสน้ำอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็น อาการะมรณะคือตายในยามที่ยังไม่ถึงกราวจะต้องตายหมายความในแง่ของอายุในแง่ของอาหารในแง่ของบุญในแง่ของอะไรก็พอมีนะฮะแต่ว่าด้วยความประมาทของตัวเองบ้างด้วยความพยายามของบุคคลอื่นบ้างโดยการเกี่ยวข้องคนผ่านบ้างมันก็เกิดต้องดับไปในขณะนั้นนนั้ต้องตายไปในขณะนั้น ซึ่ก็เป็นเรื่องที่พูดยากชีวิตเราในปัจจุบันนั้นจะเห็นว่าผู้อุบัติเหตุ่มันมีเยอะแล้วบางคนอาจจะไม่ถึงที่ตายเราแต่ว่าเป็นเรื่องของความประมาทหรือว่าการกระทําของคนอื่นหรือเราไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคคลกับการกระทําที่เป็นเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตราย แล้วในสุดก็ต้องตายอีกประการหนึ่งเรียกว่าการละมรณะคือตายจริงเลยพวกนี้จะแก้ไขยังไงก็ต้องตายเพราะมันถึงคราวที่จะต้องตายมันหมดเลยเดียกวก็หมดอายุหมดบุญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุส น, นให้มีชีวิตอยู่พวกนี้ก็ถึงคราวตายแล้วเราจะเห็นได้นะฮะว่า ผู้พระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นภาษาดิบุตรโมคคัลลานะแม้แต่พระเจ้าเรานะฮะคือถ้ารู้วันตายภาษาดิบุตรตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านก็ดูว่าเอออักษาวกกษัตระสาสดาเนี่ใครนิพพานก่อนทำเนียมยท่านก็รู้อักษาวกนี้ผ่านก่อนท่านก็ดูว่าท่านท่า น, ท, านท่านจะนิพพานเมื่อไหร่ก็บอกอยังอีสิบห้าวันก็เออเป็นห่วงแม่ แม่ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะแก่แล้วตอนนั้นก็นสแสดงนางทารีเนี่ยก็นึกนึกแก่มากนะอายุคงร้อยกว่านะพูดไม่รู้เรื่องเลยคนอื่นภาษารีบุตรโปรดได้หมดอย่างเหลือแต่แม่คนเดียวเห็นว่าตัวเองอีสิบห้าวันจะนิพพานแล้วก็ไปทั้งทังที่ป่วยไปเพื่อจะโปรดแม่ แล้วก็พยายามจนโปรดแม่ได้สาเร็จบรรลุโสดาบันและท่างกนิพพานพระมคคลานะเองเนี่ถูกโจรถูกคนจ้างคนมาฆ่าตั้งหลายครั้งท่านก็หลบไปได้ทุกครั้งที่เหตุที่หลบนั้นไม่ใช่กลัวตายแต่ท่านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาแต่พอท่านตรวจดอูอายุสังขารท่านสิ้นแล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นเองปรอรรถก็รูปตีไป ประทุบตีเสร็จก็บอกสาำ ม, มากแล้วข้าสมาบัติมาประสานกายก็เรียกโมกขารประสานกายมาข้าบพระพุทธเจ้ากราบทูลา น, นิพพานบอกหมดอายุพุทธเจ้าก็ให้พระโมกขานะแสดงฤทธิ์แสดงธรรมเทศนาโประสงค์ในที่นั้นในฟังท่านก็ลาไปนิพพาน นั่นก็แสดงว่าการรบบารณะมันมั น, ม, นมันมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะอยุดพระอาจารนั้นท่านไม่แข็งขืนนะฮะแต่ว่าแข็งขืนได้ไหมที่จริงพระอาจารท่านทำได้จะเริญมใที่บาดภาวนาพอาไปได้นะฮะเก้าปีสิบปีแต่เพื่อจะอยู่ทําอะไรพะสังขารตอนนั้นมันก็แก่งอมเต็มทีแล้วมันก็ทําได้ให้ยืดยืดชีวิตได้แต่ร่างกายไม่ใช่หนุนสาวขึ้นมามันก็คือแก่ วันท่านจะไม่แข็งขืนจริง่งตรงนั้นพระเจ้าเองที่ประมุชนมยุสังขารก็ดีหรือแม้แต่พระองค์กุลิมานะพระองค์ุลิมาในท่านถูกถูกทุบถูกตีถูกเบียดเบียนในะเลสารพัดท่านก็เห็นว่าอายุท่านน้อยอายุท่านสั้นก็รีบเร่งมันเพี้ยนแล้วก็แล้วก็ตายแล้วก็ดิพาย แสดงเห็นว่าพวกพวกชีวิตที่มันขึ้นอยู่เงื่อนไขที่เราไม่รู้เป็นอะไรนะที่ทัางกาหนดเป็นบุญเป็นอายุเป็นอาหารเป็นอะไรแต่ไหนข้ามมาเป็นตัวสนับสนุนแต่สรุปว่าจุดนี้เป็นเรื่องที่การเข้าถึงกติธรรมดาปัญหาเรื่องความตายเป็นปนัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ เพราะถ้าคนเราคิดจุดนี้ได้เนี่ยมันมันจะแก้ปัญหาอะไรเยอะเลยเนื่องจากเราไม่ยอมคิดถึงความตายดิ้นรนกันสารพัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ากระทำบาปทมกุศลกันโดยไม่คิดถึงว่าชีวิตนั้นจะต้องแตกตับได้เคยอ่านประวัติของคนคนหนึ่งชาวราชบุรี ชื่ในจุกแกระลึกชาติได้นะครระลึกชาติได้แก่ตายแต่อตอนเด็กๆตกบ่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกของครูตำบลใกล้ๆนั่นเองใกล้ๆบ้านแม่เดิมต่อต่อมาทีหลังก็กลายเป็นลูกสองพ่อสองแม่เป็นคนนี้ไม่ยอมทําบาป แกมีประโยคเดียวนั่นเองกกใช้คุ้มครองใจพอเห็นคนลำบากแกบอกพวกนี้ไม่รู้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแกใชยย้ประโยคเดียวนะฮะแกคุ้มครองเรงได้เพราะอะไรเพราะเป็นประจักษ์คือก่อนจะมาเกิดเนี่ยไม่ไปพกกระชีบประขาวที่ประขาวชวนไปอยู่ด้วยแต่เด็กยังติดแม่นะไงคิดถึงแม่ก็อยากจะมาหาแม่ จะขอมาเกิดก่อนจะขอมาหาแม่ก่อนที่พระขาวก็สั่งไว้ว่าไปก็ได้แต่อย่าทาบาปนะถ้าทำบาปแล้วก็ไม่ได้มาเกิดในที่ที่ว่านะ่ยก็ไม่ทำบาปนั้นแสดงเห็นว่ามองความตายกับความเกิดเนี่ยมันสัาพันธ์กันมองนี้่สังสารวัตร น, นะฮะ่นความความตายกับความเกิดกับชีวิตเนี่ยมันสัมพันธ์กัน ความเกิดก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่มันสืบเนื่องกับปัจจุบันก็คือการกระทำของเราในปัจจุบันความตายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้มันตายเมื่อไร่เรียกว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีสถานที่อะไรที่เรากาหนดไว้ชัดเจนนะเราจะตายที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตายทัานตายแน่เพราะทำยังไงจึงตายแล้วจะได้ชีวิตที่ดีอย่างแนวคิดในในจุกนะ ใ น, ในจุกแน้วเขารู้ว่าถ้าเขาทำบาปเขาก็ไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์กับประขาวที่ว่ า, วาเมื่อขาต้องการจะเกิดตรงนั้นเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนั่นคือความรับผิดชอบในชีวิตอนาคตจริงๆเรายังไม่ถึงนะก็ขอให้เกิดการทำบุญในแนวพวกกุศลคือเว้นบาปควาเป็นบุญ ีนี้คิดในแนวที่เรื่องของความตายมันก็เหมือนกันหมาความจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราไม่รู้ว่าหนักคตเลยนะฮะแม้แต่วินาทีข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ละแต่เรารู้ปัจจุบันปัจจุบันเราเป็นใครเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรจึงจะให้มีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็เพียรปฏิบัติอย่างนั้น นมอนัตสติหรือมรณ า, านุสติการตั้งสติเราลึกถึงความตายไปเรื่อยๆมันจะเกิดอาการปรุงปกการเบียดเบียนการ ร, รัตุสายก็ไม่จะทําทํำไมนะฮะเพราะว่าทุกอดมันก็ตายด้วยกันทําไปองค์ก็ทำนั้นเองเพราะงันเราจะไม่ไป สร้างบาปสร้างกุศลอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการฆ่าการทำลายล้างกันเพราะคนเหล่านั้นจะฆ่าหรือไม่ฆ่าเขาก็ตายเราเองก็ตายเพราะต่างคนเราก็ตายแล้วเกิดสำรวมระวังเกิดตื่นตัวในปัจจุบันจะรีบเร่งป ร, ระพฤติกระทำมองชีวิตคล้ายๆกับแนวเกิดดับนะฮะที่จริงแนววิปัสสนาท่านเห็นว่าก็คือแนวมองความตายความตายเป็น เป็นแนววิปัสสนานะฮะเป็นปัศนากรรมฐานแต่หมายความพูดหยาบๆไปก่อนมองชีวิตคล้ายๆกับเรือนที่ถูกไฟไหม้เราคงไม่คิดเอาเรือนไว้นะฮะเพราะว่าเรือนมันกำลังถูกไฟไหม้จะทำยังไงจะเอาของออกมาจากเรือนให้ได้เรือโอาไฟไหม้แน่กำลังพังอย่างแรงอย่างเนี้ยนะฮะเราก็คงเอาเรือนไว้ไม่อยู่ละ เพราะสังขารร่างกายเนี่ยเอาไว้เขาไม่อยู่หรอกสังขารร่างกายจึงเป็นที่อาศัยพระเจ้าอุปมาเหมือนกระรถเหมือนกระเรือข่องเป็นบรรณาวาชีวิตบ้างเป็นสริระยน์บ้างนะหมายความเป็นรถบ้างเป็นเรือบ้างสแสดงไว้ใรแสดงไม่ใช่เราเราอาศัยเขา เราอาศัยร่างกายเราอาศัยเรือเราอาศัยรถเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ทิ้งทิ้งเรือทิ้งรถตัว น, นั้นสละเรือสละรถตัว น, นั้นเพื่อจะไปในที่ที่เราต้องไปเมื่อร่างกายในที่สุดเราก็ต้อ ง, งทิ้งที่ทรงสอนในแนวของเราเรียกคาถาบางสกุลเป็นนะี่ยนะฮะ มันจะคุณเป็นเนี่ยเป็นแนวที่มาอยู่กรุงเทพไม่เคยเจอไม่ทราบว่ า, าทํารือเป่าแต่ต่างจังหวัดไม่เคยเจอเอาคนคนเนนอนเนี่ยพระขาวคลุมแล้วก็พระก็กล่าวกล่าวคาถานะฮะแด้มาว่าโยมงคงฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้แปลมาจีรังวัตยังกายโยวากานีไม่นานหนอ ปะทวิงอนติเสสติจากล้มลงเหนือแผ่นดินจุดดวเปตวิญญาโนปวิญญาณออกไปจากร่างแล้วดีรัฐถังวากริงกะรังก็เหมือนกับท่อนไม้ที่หาสารแก่นสารอะไรไม่ได้นะแล้วก็กลับหัวเ็าเรียกบางสกุลเป็นมันก็หมายความว่าคนยังไม่ตายนะบางสกุลเป็นทำมองคล้ายๆสะดอกเคราะห์มองคล้ายๆสะดอเคราะห แล้วก็รู้สึกกลับหัวอีกเที่ยวหนึ่งก็ททำนองคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับดับสามหาบนะพิธีสามหาบเมื่อทำเป็นรูปเป็นรูปคนกลับหัวกับหางแล้วก็กล่าวคาถาเล่านี้ก็ที่จริงเป็นการให้สติพระเจ้าทรงปราบพระติสะปูติกตะเทระซึ่ง บวจนักไปร่างกายท่านเปื่อยเน่ามีกรีนเหม็นอุ้ยเจ้าไปดูแลเองแล้วก็กล่าวคาถานี้รับสั่งคาถานี้แต่ยังนึกว่ามันก็มองในแนวคล้ายๆขลังเพราะว่าไม่ได้แปลนะฮะโยมเอ ง, องคงฟังไม่รู้เรื่องแล้วไม่แน่นะฮะพระเองก็อาจจะแปลไม่ออกก็ได้แต่ก็เป็นรูปประเพณีที่ที่มันก็เตือนนะฮะก็เตือนใ ห, ให้นึกถึงความตายไว้ ทีนี้ประเด็นเนี่ยพระตถาจารย์ท่านบอกว่าทำไมพระเจ้าต้องเล่าคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นๆกลายเป็นเป็นวีระบุรุษเนะ่เป็นวีรบุรุษใ น, ในในอุดมคติของพระสงฆ์แล้วคนพยายามที่จะเรียนจะลอกเรียนวิธีของพระองค์เหมือนก็นเราเอาพระเอกนางเอกคนที่ว่าชื่นชมมากเนี่ยมาเล่า ว, วิธีปฏิบัติคนมันจะอยากเรียน อยากเรียนวิธีเหล่านั้ น, นธรรมชาตินะฮะธรรมชาติของมนุษย์เพราะ ว, วิธีเหล่านี้ที่ทรงใช้เนี่ยฮะทรงใช้ไม่ใช่เพื่อจะไปอวดอะไรเพราะไม่มีกิเลสต้องอวดแต่เล่าให้ฟังว่าอย่างเงี้ยจะเทียบกับพวกเธอทั้งหลายพูดง่ายว่าเทียบกับพวกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตามได้รับรบนปลื้มาขนาดหนักเช่นพระยาศาเองหรือแม่แต่พระสารีบุตรพระโมกคัลลานะเองซึ่ง เ, เป็นลูกที่พ่อแม่ก็รบนปลื้มเยอะเกินถ้าเทียบผู้เจ้าแล้วมันก็เทียบไม่ได้ทีนี้พระทั้งหลายที่ท่านไปไป่อยพาไปสยกติดไปเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องทั้งหลายเนี่ยเมื่อเทียบแล้วมันนิดหน่อยเลยกิน แล้วทําไมจะต้องไปในเมื่อคนคนหนึ่งซึ่งเป็นศาสดาเนี่ยสามารถสละล ะ, ละชิ้งสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วก็ตัดขาดได้ไม่เยื่อใยไม่อะไรทําไมท่านเหล่านั้นจะต้องย้อนกลับไปเมื่อเกิดการเทียบเทียงแนวตรงนี้ที่ทรงใช้เส้นทรงติคนที่ควรติหรือยกย่องคนใี่ควยกย่อง ก็เป็นแนวในการปลุกราวให้เกิดการเอาตัวอย่างแล้วก็ละเว้นไม่เป็นอย่างที่คนที่ถูกตินะฮะก็เป็นแล้วก็พยายามเป็นกับอย่างคนที่ได้รับการยกย่องอะไรพเป็นเพราะเราสั่งเล่าให้เห็นว่าพระองค์นี่พร้อมทุกอย่างและจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินี้ก็ได้ ประศาสสัทนูเนี่ยเป็นเรื่องมหาบุรุษนะท่านจะเห็นว่าประวัติศาสตร์อินเดียนี่มีคนยกได้สองคนแต่นั่นเอ ง, เองนะคือพระรามพระเจ้าชายจิตตตะท่านั้นเองเป็นธนูที่ ท, ที่มันมั น, มนเรื่องบุญญาธิการของของมนุษย์พระรามนั้นก็อะไรล่ะทำความเชื่อก็เป็นพระนารายเป็นพระนานรนายอาวตารือไม่ใช่คนธรรมดานะฮะไม่ใช่คนธรรมดาจะยกได้ หรือแสดง่ึงความพร้อมที่จะเป็นมันก็เป็นเส้นทางที่จะเลือกเราควรจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แก่คนมากแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระองค์ในสุดพระองค์ก็เลือกประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการใช้ชีวิตของคนเราในแนวของพุทธเนี่ยก็มาสอดคล้องกันหลัก ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ครอบครองก็หลักที่เป็นปวจีมพุทธพตโผดที่รัสังเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาอามันยามีโวภิเกเววยะธมาสังคาราสังขรารทั้งหลายนั้นมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามันก็อยู่ในกระแสะของแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยมันก็หมุนวนในอย่างเงี้ยพอเกิดมาแล้วก็ไหลก็สู่แก่เจ็บตาย วร่ากันการมองชีวิตที่ต้องแก่เจ็บตายเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายไปแล้วการเข้าใจที่เกิดผลจริงๆก็ๆคือว่าเมื่อเข้าใจตัวแก่แล้วจะต้องไม่ประมาทในวัยเมื่อเข้าใจตัวเจ็บแล้วต้องไม่ประมาทในความไม่มีโรคเมื่อเข้าใจตัวตายแล้วจะต้องไม่ประมาทในชีวิตนั่นคือเรียกว่าเข้าใจจริง ก็ทำให้เป็นการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือสตินะฮะความไม่ประมาทก็คือตัวสติจะใช้ชีวิตไปในลักษณะพูดตื่นคือรู้เท่าทันตามความจริงของสิ่งหลายๆที่บังเกิดขึ้นเวลาพอก็ะทบอะไรแรงๆหรือแรงยังไงก็ตามนะฮะย่าที่เคยเล่าเรื่องนางมาริกาทวี เอสีของท่านพันธุลักษณ์คือถือว่าน่าเป็นตัวอย่างมากๆกคือนางปทาจร า, าเนี่ยคนพลัดพรากไปคืนเดียวเพียงหกคนนะมีลูกคนเล็กลูกคนโตสามีพี่ชายพ่อแม่หกคนเป็นบ้าเลยนะฮะแต่นางมาริกาเทวีนี่ลูกเป็นคู่นะลูกแฝดเท่าไหร่สามสิบสองแปดสิบก สามสิบสองแล้วสามีหนึ่งนะเป็นสามสิบสามคนคืนเดียวนะฮะคืนเดียวคนที่รักใกล้ตัวนี่ตายรวดเลยสามสิบสามคนเราเห็นได้ชัดเลยว่านางประตาจราเป็นบ้าหมดไปหกคนเลยนะอันนี้สามสิบสามคนเฉยเลยเฉยเลยรับหนังสือปั๊บเอาใส่กระพวกปุ๊บอ่านปั๊บเอาใส่กระพวกปุ๊บทําทําหน้าที่เลี้ยงพระเฉยไม่ได้แสดงไม่ได้สีหน้าเลย ทำไมอะจุดต่างมันมีนิดเดียวฮะนางประตาจารายังเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาธรรมในตอนนั้นะนะฮะแต่ต่อมาท่านเป็นพระหรันท่านเก่งกว่านางมาริกานะนางมาริกาเป็นแค่พระโสดาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราเห็นในสภาพจิที่รับอารมณ์ของของสองคนนี้แรงด้วยกันนะนะแรงในกันแต่ว่าจะแตกต่างกันเพราะว่า นามริกาเทวีนั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาภาษาดิบุตรท่านบอกว่าเออถ้วยพูดเรื่องถ้วยแตกว่ะของเ ร, รีบรยบต้องแตกเป็นธรรมดาก็แตกแล้วจะคิดอะไรนางก็บอกจะคิดอะไรกับถ้วยมคนเึ่งต้องแตกเป็นธรรมดาในสามหรือสามคนเนี่ยท่านยังไม่คิดเลยนั้นคือจิตที่ฝึกมาดีแล้วนะฮะเป็นเกิดปัญญารู้เท่าทัานแม้ประสบกับ ความจริงซึ่งยากต่อการทําใจแต่ถ้าที่เข้าถึงความจริงนั้นจะทําใจได้เพราะว่าเข้าถึงธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาผ น, นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวผลักดันเป็นตัวกระตุ้นให้เจ้าชายตสตะคิดค้นที่จะช่วยปรองเองและชาวโลกให้หลุดพ้นจากสภาวะธรรมเหล่านี้ คือเกิดแก่ตายนะแต่การมองเท่านั้นก็มองแค่แก่เจ็บตายนะฮะมองเกิดเหมือนการมองที่หลังวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกรรมธระบูรณาธิการทุกท่านอื่น